ปิติห้าปิติแบ่งเป็นลำดับขั้นตอนความหนักความเบาไว้ดังนี้คือหนึ่งิติเล็กน้อยสองิติชั่วขณะ 3. สามิติเป็นพักๆแล้วหายไปสี่ิติโลดผล หาปิติทราบซ่านที่แบ่งออกเป็นห้าประการดังกล่าวนั้นใครก็ไม่อาจกำหนดให้เป็นปิติที่ตนต้องการได้จะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเกิดแล้วระงับไม่ได้หนึ่งปิติเล็กน้อยหรือขุทกาปิติโบราณอาจารย์จำแนกอาการไว้ว่า เกิดคนลุกชูชันสู้ซ่าไปทั่วสะพางกายบ้างเกิดน้ําตาไหลพรากเนืองนองไปสองฝ้ากแก้มบ้างที่ว่าคนลุกสู้นั้นบางท่านลุกสู้ซ้าไปทั่วท้องร่างตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าบางท่านคนลุกเพียงวางแห่งเช่นเส้นผมบนหัวลุกตั้งชูชันขึ้นเหมือนคนถูกผีหลอกจังหน้า 2. ปิติชั่วขณะหรือคณิกาปิติปุราจารย์ท่านได้แสดงอาการของปิตินี้ไว้ว่าบางท่านมีอาการเสียวแปลปลาบตามร่างกายเหมือนสายฟ้าแลบผ่านสังขารแล้วหายวับไปบางคนเกิดอาการคันยุบยิบ ป, ปานประหนึ่งมีฝุ่งมดฝุ่งไรมารุมไตตอมเนื้อตัวแต่ไม่ถึงขั้นขบกัดหรือบางรายรู้สึกคล้ายมีใยเมงมุม มาพาดทับอยู่บนใบหน้าบางคนเนื้อตัวกระตุกหนึกหนับยึดยักขึ้นมาบางทีไปกระตุกที่กระดูกสันหลังอาการเช่นนี้นี่แหละคือพิติชั่วขณะโยคีบุคคลไม่พึงตกใจเพราะเห็นเป็นอาการพิลิกพิลั่นในกายจนเข้าใจไปเสียว่าเส้นกระตุกซึ่งไม่ใช่ 3. ปิติเต็นพักๆหรือโอกันติกาปิติโบราณอาจารย์ท่านว่าอาการสู้ซาคล้ายปิติชั่วขนะแต่แรงกว่าหรือบางทีเหมือนนั่งเรือน้อยลอยลำอยู่กลางทะเลหลวงมีคลื่นลมแรงเรือโต้คลื่นจนโครงแขงผู้อยู่ในเรือเหมือนจะล้มคว่ามขมำหงายหรือเอียงตะแคงข้างบางท่านรู้สึกเหมือนพื้นบ้านหรือพืนแผ่นดินวิปริด เกิดตะแคงไปทางโน้นทีทางนี้ทีผู้ฝึกใหม่อาจเกิดรำคาญใจหรือตกใจขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บางคนรู้สึกเฉยๆอิ่มเอิบใจไปตามธรรมดาของความปิติสี่ 4. ปิติโลดผนหรืออุเพคาปิติ ปีิติระการนี้โลดผลจริงดังที่ตั้งที่ไว้ให้เรียกขานโยคีบุคคลจะรู้สึกหัวใจฟูฟ่องเหื่อมฮึกคึกคลัททำอะไรลงไปโดยนอกเหนือการควบคุมบังคับของร่างกายเช่นส่งเสียงอุทานดังสนัน่นบางท่านสังขารลอยพ้นพื้นอย่างเดียวกับหอกได้ ปิติทราบซ่านหรือพอรณาปิติเป็นอาการของปิติที่นักปฏิบัติจิตเจริญสมาธิยินดียิ่งถ้าปิติทราบซ่านเกิดขึ้นในตนเนื่องจากมีอาการทราบซ่านอิ่มเ อ, อิบสุขอย่างยิ่งเหนือสุขใดในชีวิตไม่มีอาการอื่นอย่างปิติทั้งสประการข้างต้นเข้าแทรกซ้อน คุณ ป, ประโยชน์ของปิติโยคีบุคคลผู้นั่งเจริญสมาธิเข้าชาญจนได้อารมณ์ปิติแล้วทำนานฌานคล่องแคล่วเป็นวั ส, สีแล้วผู้ได้ฌานจะปราบปลื้มยินดีที่ได้ประคองจิตให้ทรงอยู่ในปิตินี้นานเท่านานเพราะปิติเป็นธรรมโอสถขนานเอก มีสรรพคุณรักษาสุขภาพจิตให้ผ่องแผ้วกระปี้กระเป๋าได้เป็นอย่างดีการทรงจิตให้อยู่ในอารมณ์ปิติสังขารขันจะอิ่มเหมือนอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินอาหารเป็นสิบวันหรือหนึ่งเดือนก็ไม่รู้จักคำว่าหิวโหวยคืออะไร